เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆถึงได้ เดินทางมาวัดเพื่อมาจเจริญรอยตามพระพุทธบาลทที่พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริญอย่างยิ่งแก่สัตว์โลกได้ทรงดำเนินไปและได้ทรงสั่งสอนให้สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายได้ดำเนินตาม คือให้เดินตามทางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางทางที่มีมักเป็นองศาดนี่คือทางที่จะนำไปสู่ความสุขและความดับทุกข์ท้งอื่นไม่ใช่เป็นทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์และสู่ความสุขมีทางเดียวเท่านั้น ทางที่พระพุเจ้าได้ทรงสเสด็จไปแล้วและทรงสั่งสอนให้พวกเราเดินตามกันพวกเราเพียงแต่ปฏิบัติตามเราก็จะได้พบกับความสุขและได้ดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจของเรานักที่มีองค์แปดนี้มีอะไรบ้างคือหนึ่ง มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสองสัมมาสังกะปะความคิดที่ถูกต้องสามสัมมากรรมโตการกระทำที่ถูกต้องสี่สัมมาวาจา ก, การพูดที่ถูกต้องห้าสัมมาอาชีวมีอาชีพที่ถูกต้อง 6. สัมมาสติมีการละลึกรู้ที่ถูกต้อง 7. สัมมาส ม, มาธิมีจิต ท, ที่ที่ตั้งมัน่นอย่างถูกต้องและ 8. สัมมาวายาโมมีความภาคเพียนที่ถูกต้องนี่คือสิ่งถูกต้องแปดประการด้วยกัน ที่พวกเราควรที่จ ะ, จะเจริญให้มากอยู่ในกายวาจาใจของเรานี้เองเช่นสัมมาทิฏฐินี้เป็นความเห็นที่อยู่ในใจของเราความเห็นที่ถูกต้องคืออะไรก็คือความเห็นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั่นเองว่าถ้าอยากจะพ้นทุกข์อยากจะพบกับความสุขที่แท้จริง ก็ให้ละบาปทั้งปวงให้ทำบุญและให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นั่นเองนี่คือความเห็นที่เราควรจะมีอยู่ในใจของเราว่าเราควรทำบุญเราควรละบาปเราควรชําระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ภายในใจของเราให้เบาบางลงไปและหมดไป นี่คือความเห็นที่ถูกต้องเป็นองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองคือความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องก็คือต้องคิดทำบุญคิดละบาคิคดชำระใจให้สะอาดคิดละกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงอย่างวันนี้ญาติโยมก็ได้คิดแล้วว่าวันนี้จะมาทำบุญ จะมารักษาศีลจะมาละบาปจะมาชำระใจให้สะอาดชำระความโลภความโกรธความหลงด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการนั่งสมาธิด้วยการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมเจริญปัญญานี่เป็นความคิดที่ถูกต้องเมื่อได้คิดแล้วญาติโยมก็ได้ออกเดินทาง มาที่วัดและได้มาทำสิ่งต่างๆที่ญาติโยมกำลังทำอยู่นี้เรียกว่าเป็นสัมมากรรมันโตคือการกระทำที่ถูกต้องคือทำบุญไม่ทำบากนั่นเองญาติโยมก็ตั้งใจรักษาศีลห้ากันไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ พูดปลดมดเทสไม่เสพสุรายาเมานี่ก็เป็นมรรคองค์ที่สามและองค์ที่สี่คือสัมมากรรมโตและสัมมาวาจาสัมมากรรมโตก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเณีไม่เสพสุรายามาสัมมาวาจาก็คือไม่พูดปลดมดเทส และรวมไปถึงการไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามม่อขีนี่เป็นการกเป็นคำพูดที่ดีเวลาพูดอะไรท่านสอนให้พูดความจริงแล้วก็ให้พูดด้วยวาจาที่สุภาพให้พูดสิ่งที่มีสาระคือให้พูดเรื่องธรรมะ ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนนี้พูดกันมีอยู่หลายข้อด้วยกันเช่น 1. นึงให้พูดถึงเรื่องมักน้อยสองให้พูดถึงเรื่องสันโดษความยินดีตามมีตามเกิดสามให้พูดถึงการปรีกวิเวกหาสถานที่สงบสงัดทำความเพียร ทำจิตใจให้สงบ 4. ให้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติทำความเพียรเช่นเรื่องการนั่งสมาธิเรื่องการเดินจงกรมว่าทำมากน้อยเพียงไรวันหนึ่งทำกี่ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าพูดปารบความเพียรแล้วก็ให้ปรารบเรื่องศีลคุยกันว่าเรามีศีลกันกี่ข้อล้วจะรักษาศีล ข้อต่างๆที่เรายังไม่ได้รักษาได้อย่างไรให้คุยเรื่องศีลแล้วก็ให้คุยเรื่องสมาธิว่าจิตสงบนั้นเป็นอย่างไรจิตที่สงบแล้วมีความสุขอย่างไรมีความสบายอกสบายใจอย่างไรมีความปล่อยวางอย่างไรให้คุยเรื่องสมาธิแล้วก็ให้คุยเรื่องปัญญา ปัญญาก็คือความเห็นความรู้ตามสภาวะของของสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ว่าเป็นของเราหรือไม่ใช่ของเรานี่คือปัญญาให้คุยเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ให้คุยเรื่องวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายว่าหลุดพ้นได้อย่างไร ว่าเวลาหลุดพ้นแล้วมีความสุขความสบายใจอย่างไรเช่นสมมติว่าเรากำลังทุกข์กับเรื่องของคนหนึ่งแล้วเราพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ตัดเขาออกไปจากใจของเราเขาจะเป็นอะไรอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปเขาอยากจะทิ้งเราไป เขาอยากจะไปอยู่กับคนอื่นก็ปล่อยให้เขาไปพอตัดใจได้ทำใจได้ใจก็จะสงบเย็นสบายไม่เดือดร้อนกับเขาอีกต่อไปเขาจะอยู่หรือเขาจะไปไม่ใช่เรื่องของเราแล้วนี่คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องหลุดด้วยปัญญาต้องเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวเราของเรา พอเห็นอย่างนี้แล้วก็จะปล่อยวางได้พอปล่อยวางได้แล้วใจก็จะสงบไม่ว้าวุ่นขุ่น ม, มัวไม่วิตกไม่กังวลนี่คือเรื่องเรื่องที่เราควรสนทนากันเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราจะนําความสุขมาให้กับใจของเราและจะดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเรา ให้หมดไปได้อย่าไปคุยเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องนินทากาเลต่างๆว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นไปมีแอบไปมีแฟนกับคนนั้นคนนั้นแอบไปมีแฟนกับคนนี้คุยไปเรื่องราวเหล่านี้ไร้ประโยชน์ไร้สาระไม่ควรคุยกัน แลวเรื่องที่ไม่ควรควรคุยกันก็คือไม่ควร ย, ยุยงให้แตกแยกสามมิตรกันอย่าไปยุยงให้สามีภรรยาเขาแตกแยกกันด้วยการไปพูดใส่ร้ายสามีหรือภรรยาพูดใส่ร้ายสามีต่อภรรยาพูดใส่ร้ายภรรยาต่อสามีก็จะทําให้เขาเกิดความเข้าใจผิด แล้วก็จะเกิดการแตกแยกกันอย่างนี้เป็นการพูดที่ทำลายไม่เป็นการพูดที่ส่งเสริมให้ให้อยู่กันอย่างมีความร่อมเย็นเป็นสุขนี่คือเรื่องของสัมมาวาจาให้พูดความจริงให้พูดด้วยวาจาที่สุภาพให้พูดในสิ่งที่มีสาระและ ให้พูดเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีกันอย่าไปพูดให้เขาเกิดความแตกแยกกันเพราะการแตกแยกนี้ไม่ดีไม่ว่าจะอยู่ในวงการใดก็ตามบ้านครอบครัวที่แตกแยกก็ไม่ดีสังคมบ้านเมืองแตกแยกก็ไม่ดีประเทศชาติแตกแยกก็ไม่ดีควรจะประสานกันควรที่จะให้อภัยกัน แล้วก็ให้รักกันสามัคคีกันนี่คือคำพูดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนพูดกันเรียกว่าสัมมาวาจาคำพูดที่ถูกต้องข้อที่ห้าที่ที่เป็นองค์ของมรรคข้อที่หก็คือสัมมาอาชีวะก็มีให้มีสัมมาอาชีพนั่นเอง อาชีพที่ถูกต้องหมายถึงอาชีพที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายไปทำลายชีวิตของผู้อือนน่นไม่ควรทำอาชีพเหล่านั้นเช่นไม่ควรทำอาชีพค้าเป็ดค้าไก่ค้าหมูค้าปูค้าปลาที่เราจะต้องทำลายชีวิตของสัตว์เหล่านี้ หรือให้ผู้อื่นทำลายก็ตามอาชีพแบบนี้ไม่ควรที่จะกระทำไม่ควรทำอาชีพขายสุรายาเม า, มาสิ่งเสพติดทั้งหลายเพราะจะทำให้คนเสพแล้วไปทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นต่อไปเช่นเสพสุรายาเม า, มาแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ไปขับรถไปชนผู้อื่น ให้เสียชีวิตได้ไม่ควรที่จะทำอาชีพคือการค้าสุรายามาหรือค้าสิ่งต่างๆที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเช่อนอาวุธหรือกับดักสัตว์ต่างๆเบ็ดที่ใช้ตกปลาเป็นอาชีพที่เราไม่ควรจะกระทาเพราะเป็นการส่งเสริมให้มีการทำลายชีวิต ของการละกัร น, นั่นเองนี่คืออาชีพที่เราควรหลีกเลี่ยงอาชีพอื่นนี้มีมากมายที่เราสามารถทำกันได้เช่นเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นต้นนี่เป็นอาชีพที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นอาชีพที่ทำให้ผู้อื่นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขงนั้นเรามีอาชีพอะไร ถ้ารู้ว่าเป็นอาชีพที่ไม่ดีถ้าตอนนี้ยังไม่สามารถเลิกได้ก็ให้ทำความเข้าใจไว้ว่าเพราะถ้ามีฐานะดีขึ้นแล้วหรือว่ามีอาชีพใหม่ที่จะทำได้ที่จะเปลี่ยนได้ก็ขอให้เราเปลี่ยนอาชีพจะดีกว่าเพราะการการดำเดนินการมีอาชีพที่ไม่ถูกต้องนี้ ไม่ได้เป็นทางไปสู่ความสุขไม่ได้เป็นทางไปสู่ความดับทุกข์นั่นเององค์องค์ที่6ที่จะกล่าวถึงในในมรรคที่มีองค์8ก็คือสัมมาวาจาโมคือความภาคเพียรชีวิตของคนเหล่านี้จะประสบความสําเร็จได้จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ จะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ได้ต้องมีความภาคเพียรถ้ามีความเกียดค้านแล้วม่จะไม่มีทางที่จะพบกับความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องหลุดพ้นด้วยความภาคเพียรด้วยความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติ มักที่มีอกแฝดนี้เองก็คือให้มีความภาคเพียงในการทำบุญเช่นวันนี้ญาติยโยมมีความภาคเพียงอุตสาหตื่นแต่เช้าทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นวันหยุดไม่ต้องไปทำงานถ้าจะนอนถึงเที่ยงวันก็สามารถทำได้แต่เนื่องจากมีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ทำบุญและบา ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์จึงตั้งใจตื่นแต่เช้าเพื่อมาทําบุญละบาปมาทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้เรียกว่าเป็นสัมมาวายาโมคือเป็นการภาคเพียรที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ไม่ถูกต้องก็คือวันนี้เป็นวันหยุดก็ขอไปเที่ยวไปดื่มสุรายาเมา ไปยิงนกตกปลาไปหาความสุขจากสถานบันเทิงต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นความภาคเพียนที่ไม่ถูกทางเพราะไม่ได้นําไปสู่ความสุขที่แท้จริงและไม่ได้ดำไปสู่ความดับทุกข์ความสุขที่ได้นั้นเป็นความสุขชั่วคราวในขณะที่ได้เสพได้ทำเท่านั้นเช่นได้เสพสุราก็มีความสุขแต่หลังจาก เสพไปแล้วก็เกิดอาการมึนเมาก็มีความทุกข์ตามมาแล้วก็จะติดเป็นนิสัยอยาต้องเสพสุราอยู่เรื่อยๆวันใดไม่ได้เสพสุราวันนั้นก็จะมีความทุกข์ใจมีความกระสับกระส่ายกวัวนกังวายเพราะติดการเสพสุรา เช่นเดียวกับการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่จำเป็นก็เป็นแบบเดียวกันได้ความสุขเพียงเดียวเดียวในขณะที่ได้ซื้อของที่อยากได้หรือได้ไปดูได้ไปฟังได้ไปลิ้มรสไม่ได้ไปดื่ม <c oughs> เครื่องดื่มต่างๆก็ได้ความสุขเพียงเดียวเดียว พอหลังจากนั้นแล้วก็จางหายไปก็จะมีความทุกข์ตามมาคือความอยากที่จะต้องไปซื้อของใหม่อีกความอยากที่จะต้องไปดูไปฟังไปเที่ยวไปเล่นอีกมันจะเป็นวงจรอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดมันไม่ได้นําไปสู่ความอิ่มความพอถ้ายังไม่มีความอิ่มความพอก็แสดงว่ายังมีความทุกข์อยู่นั่นเอง เพราะความไม่พอนี้แหละก็คือความทุกข์เวลาเราไม่พอเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะอยู่ไม่เป็นสุขแต่ถ้าเรามีความพอแล้วเราจะอยู่อย่างเป็นสุขเราจะไม่คิดอยากได้อะไระดังนั้นเราจึงไม่ควรไปมีความภาคเพียงในทางที่ไม่ถูกต้องก็คือภาคเพียงหาเงินทองหายศ หาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายนี่ไม่ใช่เป็นทางที่ไปสู่ความสุขและการดับทุกข์การไปสู่ความสุขและการดับทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างที่ญาติโยมมาทากันในวันนี้มาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาอยู่วัดปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวนมนต์พิจารณาความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่มีตัวตนในสิ่งต่างๆที่เราไปสัมผัสรับรู้และเกี่ยวข้องด้วยนี่แหละจะเป็นทางที่จะนำไปสู่ความสิ้นทุกข์และความสุขที่ถาวร อ, อย่างนั้นเราจึงควรที่พยายามภาคเพียนมาในฐานนี้ เรียกว่าสัมมาวายโมความภาคเพียรที่ถูกต้ององค์ที่7ในมรรคที่มีองค์8ก็คือสัมมาสติสสตินี้แปลว่าการระลึกรู้คือให้เรามีความรู้สึกตัวอยู่ทุกเวลานาทีการระลึกรู้ที่ถูกต้องนั้นต้องอยู่ในปัจจุบัน ใจของเรานี่ปกติจะไม่อยู่ในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไปคิดถึงเรื่องในอดีตเดี๋ยวก็ไปคิดถึงเรื่องในอนาคตการไปคิดในอดีตในอนาคตนั้นทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจแกว่งไปแกว่งมาทำให้ใจวุ่นวายสับสนทำให้ใจว่าวุ่นขุ่นมัว ถ้มีสติควบคุมใจให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรให้มีสติและเลิกรู้อยู่กับการกระทำนั้นๆเช่นกำลังเดินก็ให้รู้อยู่กับการเดินให้รู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาให้รู้เพียงเท่านี้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ดีเรื่องที่ยังไม่เกิดก็ดี ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ให้หยุดเดินก่อนให้หยุดการกระทำต่างๆก่อนแล้วให้มีสติแล้วเลิก ร, รู้อยู่กับความคิดคิดให้พอคิดด้วยเหตุด้วยผลอย่าไปคิดแบบเพ้อเจออย่าไปคิดแบบคิดไปตามอารมณ์คิดเพื่อวางแผนคิดเพื่อ ทำงานต่างๆให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาพอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาอยู่ที่ร่างกายต่อไปร่างกายจะทำอะไรก็ให้อยู่กับการกระทำของร่างกายกำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับการกระทำต่างๆเหล่านี้ อย่าให้ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นเป็นอันขาดถ้าทำอย่างนี้ใจก็จะมีสติถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถควบคุมใจได้เหมือนกับรถที่มีเบรกมีพวงมาลัยนั่นเองรถยนต์ถ้าไม่มีเบรกไม่มีพวงมาลัยถ้าปล่อยให้ออกไปวิ่งในถนนก็จะต้องเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอน พราะจะไม่สามารถหยุดได้ในเวลาที่ต้องหยุดไม่สามารถขับให้รถอยู่ในถนนได้ฉัในใดใจของเราก็เป็นเหมือนรถเย็นถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่สามารถดูแลรักษาตนให้อยู่อย่างปลอดภัยได้นั่นเองเช่นคนที่เสียสติที่เราเรียกว่าคนบ้าก็คือเป็นคนที่ไม่มีสตินั่นเอง เขาไม่สามารถควบคุมความคิดต่างๆของเขาได้เขาคิดอยากจะทำอะไรเขาก็ทำอยากจะแก้ผ้าเดินกลางถนนเขาก็แก้ผ้าเดินกลางถนนอยากจะนอนตรงไหนเขาก็นอนตรงนั้นอยากไม่อยากจะอาบน้ำเขาก็ไม่อาบน้ำไม่อยากหวีผ네้าหวีผมเขาก็ไม่หวีผ้าหวีผมเขาก็อยู่ไปตามความคิดของเขา โดยที่ไม่มีอะไรมาควบคุมบังคับเขานี่คือเรื่องของคนไร้สติคนที่จะทำอะไรได้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ได้นั้นจำเป็นจะต้องมีสติเช่นจะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิได้ก็ต้องมีสติดังนั้นขั้นต้นขั้นขั้นแรกนี้ก่อนที่จะทำใจให้มีสมาธิ เราต้องเจริญสติก่อนต้องมีสัมมาสติให้ใจมีสติและลึกรู้อยู่ในปัจจุบันถ้าใจยังพยายามดิ้นหนีไปคิดเรื่องนั้นเร่างนี้ท่านก็ให้ใช้บทคําว่าบริกรรมพุทโธเป็นตัวเหนี่ยวรั้งเอาไว้กระด้เช่นทําอะไรอยู่ก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปตลอด <that is worth> ทั้งวัน ล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธกำกับไปภายในใจอย่าไปคิดเรื่องต่างๆเพราะไม่เกิดประโยชน์การบริกรรมพุทโธไปทั้งวันนี้จะทำให้ใจตั้งอยู่ในที่สงบตั้งมั่นตั้งอยู่ในปัจจุบันจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กาลังเกิดขึ้น จะทำอะไรไม่ผิดพลาดไม่เสียหายดังนั้นเราจึงควรจเจริญสัมมาสติกันให้มากๆถ้าเรามีสัมมาสติแล้วต่อไปเราก็จะสามารถจเจริญสัมมาสมาธิได้สัมมาสมาธิก็คือความตั้งมั่นของใจในในความสงบนั่นเองเรียกว่าสัมมาสมาธิ คือควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ดึงใจกลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธหรืออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจจะรวมเข้าสู่สมาธิสงบตัวลงแล้วก็นิ่งไปความคิดต่างๆหายไป เหลือแต่ความสุขความสงบความเบา อ, อกเบาใจเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่ความเป็นอุเบกขาเรียกว่าเอกตารลมใจเป็นหนึ่งไม่มีรักไม่มีชังนี่คือสัมมาสมาธิคือสมาธิที่สงบนิ่งเย็นสบายถ้าใจสงบแล้วออกไปรู้เรื่องต่างๆ ไปเที่ยวนรกไปเที่ยวสวรรค์ไปพบปะกับกายทิพย์ต่างๆอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธิคือเป็นสมาธิที่ไม่ถูกต้องถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราออกไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้กายทิพย์ชนิดนั้นกายทิพย์ชนิดนี้ไปตามสถานที่ต่างๆอย่างนี้ไม่ควรทำเราควรดึงใจให้กลับเข้ามาสู่ความสงบ สู่ความนิ่งสู่ความว่างาะจะได้เป็นฐานของการเจริญปัญญาต่อไปถ้าใจเข้าไปในสมาธิแล้วออกไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาออกมาจากสมาธิจะไม่มีกำลังที่จะเจริญปัญญาจะไม่มีกำลังที่จะเจริญอนิจจทุกขงังอนัตตาคือความไม่เที่ยงความทุกข และความไม่มีตัวตนในสิ่งต่างๆเช่นในร่างกายของเราเป็นต้นจะไม่มีโอกาสได้พิจารณาเมื่อไม่พิจารณาก็จะไม่สามารถปล่อยวางร่างกายได้ก็จะยึดติดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆไม่อยากให้แก่ให้เจ็บให้ตายก็จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในใจแทนที่จะดับความทุกข์ ก็จะกลับสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมาภายในใจเพราะนั่งสมาธิที่ไม่ถูกต้องนั่นเองคือเวลานั่งแล้วต้องเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้อย่างนี้ไม่ใช่เป็นการนั่งสมาธิเพื่อการดับทุกข์เนี่ยถ้านั่งสมาธิด้วยการดับทุกข์นี้นั่งแล้วต้องนิ่งต้องสงบใจต้องว่างเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้อยู่อย่างเดียว นี่คือมรรคที่มีองค์แปที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ทรงดำเนินมาและได้พบกับความหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้พบกับความสุขที่ถาวรจึงได้ทรงนำเอามรรคที่มีองค์แปนี้มาเผยแผ่ให้แก่พุทธศาสนกชนทั้งหลายอย่างพวกเราหน้าที่ของพวกเราจึงอยู่ที่การ ปฏิบัติตามมรรคที่มีองค์แปนี้แล้วผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับเช่นเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันใดอย่างใดเพราะมรรคที่เป็นองค์แปนี้ไม่เสื่อมไปตามกาลตามเวลาเคยเคยนำพระพุทธเจ้าให้หลุดพ้นจากความทุกข์ดเมื่อส5งพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว มรรคนี้ก็จะพาพวกเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในปัจจุบันเช่นเดียวกันดังนั้นเราไม่ต้องลังเลสงสัยขอให้เราปฏิบัติตามเท่านั้นแล้วเราจะได้รับผลอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการเจริญมรรคที่มีองค์แปดนี้คือให้เจริญสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง สัมมาสัมปกปโปความคิดที่ถูกต้องสัมมากรรมันโตการกระทำที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชิโวมีอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายาโมภาคเพียนที่ถูกต้องสัมมาสติการระลึกรู้ที่ถูกต้องและสัมมาสมาธิ การตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องนี่คือมรรคที่มีองค์แปที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราได้พิจารณากันได้เจริญกันได้ปฏิบัติกันถึงขอให้ท่านได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา